เจริญพรทุกๆท่านพ่อเพิ่งเคยมาเทศที่นี่ครั้งแรกแต่ก็ได้ข่าวว่าที่นี่เพิ่งจัดเทศครั้งแรกเหมือนกัน mm ั hmm. ใหม่ต่อใหม่ด้วยกัน mm hmm. เราอย่าไปวาดภาพการปฏิบัติธรรมนะว่าจะต้องไปนั่งหลับหูหลับตานั่งสมาธินานๆเดินโจบกลุ่มเยอะ อันนั้นมันแค่เปลือกแค่รูปแบบของการปฏิบัติการปฏิบัติทำจริงๆมันเ็นคือการยกระดับจิตใจของเราฝึกจิตใจของเราเรามีบทเรียนในการฝึกจิตใจนะั้นสองแบบอันหนึง่งจิตใจเราฟุ้งซ่านจิตใจเราไม่มีเรี่ยวมีแรงเราฝึกจิตใจให้มันมีสมาธิมาให้มันสงบนะอีกอันหนึ่งคือฝึกจิตใจให้ฉลาด อันนึงให้สงบอันหนึ่งให้ฉลาดสงบก็จะมีความสุขฉลาดจะเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตแล้วก็ไม่มีความทุกขนะ์จะคนละอันกันในชีวิตของคนคนหนึ่งเนี่ยโอกาสที่จะได้ยินธรรมะภาคปฏิบัติเนี่ยมีไม่มากหรอกอย่างเมื่อก่อนหลวงพ่อไปเรียนจากครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่รุ่นก่อนก่อนนะเข้าไปเรียนจากท่านนะ ท่านก็สอนธรรมะในภาคปฏิบัติให้แต่เวลาท่านพูดกับคนทั่วๆไปเนี่ยท่านสอนไปเรื่องจริยธรรมเท่านั้นเองให้ทำทานให้ถือศีลอะไรเงี้ยอย่างมากก็พานั่งสมาธิส่วนธรรมะชั้นสูงที่เป็นเนื้อหาเก่นสารสาระแท้ๆของพระพุทธศาสนาคือเรื่องการเจริญสติเจริญปัญญาอะไรเนี่ยท่านไม่ค่อยสอนกันเพราะท่านมองว่าคราวญทาทไม่ได้หรอกส่วนใหญ่ท่านคิดอย่างนั้น ต้องเป็นพระถึงจะภาวนาได้ตอนลวกพ่อไปเรียนกับท่านนะหลวงพ่อสนใจการภาวนางั้นเข้าถึงตัวได้นะท่านสอนธรรมะในภาคปฏิบัติแท้ๆให้นี่ต่อมาหลวงพ่อออกมาบวชอันนี้หลวงพ่อเคยเป็นครวาดมานานเมื่อก่อนจะมาบวชตอนแรกอยู่สภาพวามมั่นคาแห่งชาติก็เป็นชั้นพิเศษเหมือนกันนะ เาออกมาอยู่ทีโอที mm. ก็40เหมือนกันระดับเขตแต่ว่ามันได้เห็นความจริงของชีวิตมากขึ้นมากขึ้นในสุดก็เลยออกมาบวชออกมาบวชมาพอนาต่อแล้วก็มาเผยแพร่เอาสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อเนี่ยมาบอกเกิดพวกเราในวงกว้างว่าหลวงพ่อไปภาวนามาแต่แต่เป็นฆรวา์ ฆราวาสก็ทําได้ใจเนี่ยมันปักหลักแม่นอยู่ตรงนี้เลยฆราวาสก็ทําได้สมัยภาวนาเป็นฆราวาสเนี่ยขึ้นไปหาครูบาอาจารย์ไปรายงานผลการปฏิบัติเนี่ยไปส่งกันบ้านคล้ายๆเรารับบทแบบฝึกหัดมาแล้วเอามาทํากันบ้านแล้วถึงเวลาขึ้นไปส่งครูบาอ า, าจารย์ครูบาอาจารย์จะดีใจ ท, าานะท่านบอกนักปฏิบัติเนี่ยหายากนะท่านบอกอย่างนี้ พวกพระมานั่งฟังนบางครั้งพระยังมาถามหลวงพ่อทีหลังเลยว่าโยมทำได้ยังไงถ้าฝึกตั้งสิปียี่สิบปีไม่ได้เท่านี้โยมทำปีสองปีได้ตั้งเยอะท่านว่าอย่างนี้บอกท่านว่าผมปฏิบัติทั้งวันเราเจริญชีวิตอยู่เจริญสติอยู่ในชีวิตอย่างนี้เลยการปฏิบัติกับการใช้ชีวิตเนี่ยมันหลอมรวมเป็นเนื้อเดียวกันถ้าพูดแบบวิทยายุทธก็คือ กระบวนการนี่นะถึงขั้นสุดยอดแล้วถึงขั้นไร้กระบวนกาแล้วจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะกินข้าวจะอาบน้าจะขับถ่ายจะนั่งรถจะทำอะไรมันเป็นการปฏิบัติไปหมดเลยขอเพียงเราวางจิตให้ถูกเรารู้วิธีเท่านั้นเองเราจะสามารถปฏิบัติได้ได้แต่ตื่นจนหลับเลยเวลาปฏิบัติทำก็ไม่ใช่ว่าต้องมาแบ่งเวลาตลอดวันเนี่ยอยู่กับโลก ก่อนนอนชั่วโมงหนึ่งหรือครึ่งชั่วโมงเป็นเวลาปฏิบัติคนส่วนใหญ่คิดอย่างนั้นแล้วคิดว่าการปฏิบัติทำคือการนั่งสมาธิการเดินจงกรมไม่เข้าใจหรอกว่าการปฏิบัติจริงๆมันคืออะไรเกิดเป็นมนุษย์ทั้งทีเรื่องอะไรจะต้องทุกข์ตลอดชากถ้ายกระดับใจตัวเองขึ้นไปได้นะวันหนึ่งไม่ทุกข์ยังมีชีวิตอยู่ยังมีความสุขเลยจะแก่ก็แก่อย่างมีความสุขจะเจ็บก็เจ็บยังมีความสุขจะตายก็ตายยัยงมีความสุข อย่าพลาดพลาดจากคนที่รักอยเจอสิ่งที่ไม่รักไม่ชอบใจไม่เรื่องธรรมดาของชีวิตไปหมดเลยเมื่อกี้บอกแล้วนะว่าการปฏิบัติการพัฒนาจิตใจเนี่ยมีสองอันอันหนึ่งฝึกสมาธิให้ใจสงบให้ใจมีเรี่ยวมีแรงอันนึงเจริญปัญญาให้ใจฉลาดลําพังการฝึกสมาธิเนี่ยมันมีมาก่อนพระพุทธเจ้าฤาษีชีไพรเขาก็ทํามาก่อนพระพุทธเจ้าพระเจ้าออกบวช ออกจากวังมาเขาไปหันนั่งสมาธิกับฤๅษีงั้ น, นท่านทำความสงบของจิตใจเนี่ยเดินไปเรียนมาจากพวกฤๅษีแล้วท่านก็เห็นว่ามันก็มีประโยชน์เหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้ทำให้เราพ้นทุกข์จริงงั้นเวลาเราปฏิบัติเนี่ยเราต้องรู้จักทำได้สองอย่างดีที่สุดยังขณะ น, นี้มีคนเดินมารู้สึกไหมมีคนเดินมาใจเราหนีไปหาเขาละใจมันวิ่งปบ ป, ปในขณะที่ใจเราวิ่งไปหาคนอื่นเนี่ย รู้สึกไหมมีร่างกายลืมร่างกายมีใจลืมใจเนีย่ยลืมกายลืมใจเรียกว่าขาดสตินะเในโลกเนี่บอกว่าให้มีสติไม่มีสติคนในโลกนี้แทบไม่มีสติเลยหาคนที่มีสติได้จริงๆนะหายากมากเลยนี้เราจะมาฝึกตัวเองเราจะฝึกตัวเองอันแรกเลยทํำยังไงใจเราจะสงบส่วนมากที่เขาฝึกกันขนาด บอกว่าทำวิปัสนาวิปัสนานะเอาข้อจริงก็กลายเป็นสมถะการฝึกจิตให้สงบเท่านั้นเองหลักของการที่จฝึกจิตใจให้สงบพวกเราควรจะเรียนนะควรจะเรียนไว้เวลาเราทํางานเครียดเครียดเนี่ยถ้าเรารู้วิธีทําใจให้สงบนะเรากําหนดจิตเรามาปุ๊บจิตได้ได้พักละสมองปลอดโปร่งมีเรี่ยวมีแรงทํางานได้อีกชั่วโมง2ชั่วโมงอย่างหลวงพ่อจะฝึกตั้งแต่เด็กๆแล้วสมาธิจะดี เมื่อก่อนทํางานอยู่กับผู้อำนวยการองค์การโทรศัพท์ตอนอยู่สภาความมั่นคงทํางานกับเลขาธิการทํางานอยู่กับผู้ใหญ่มาตลอดนะเวลาเราทํางานนะทีผู้ใหญ่มายืนรอรอเซ็นเป็นสตาฟนะเขียนหนังสือเขียนร่างหนังสือถึงกระทรวงถึงอะไรเนี่ยผู้ใหญ่มารอทำงานวิเคราะห์ที่ยากๆเอกสารเป็นตั้งๆอ่านรวดเดียวนะเพราะนั่งหน้าคอมเขียนออกมาได้ละ ริ้นออกมาก็เซ็นได้เลยอย่างมากแก้คําผิดตัวสองตัวเองทำไมทำได้เพราะสมาธินะงั้นพวกเราถ้าเราสมาธิดีเนี่ยเราจะได้เปรียบคนที่สมาธิไม่ดีในการทำงานเนี่ยถ้าสมาธิเราดีวิธีที่จะฝึกจิตให้เกิดสมาธินะเราต้องดูตัวเองต้องดูตัวเองนะไม่ใช่ไปดูคนอื่นอย่างคนอื่นเขาหายใจออกหายใจเข้าแล้วก็ใจเข้าสงบ เราไปหายใจตามเขาอาจจะไม่สงบเลยก็ได้บางคนเขาท่องพุโทโธพุโทโธใจเขาสงบเราไปท่องแล้วไม่สงบเลยก็ได้ดังนั้นกรรมาฐานเนี่ยเราต้องดูตัวเองว่าจิตใจของเราเนี่ยมันอยู่กับอารมณ์ชนิดไหนแล้วมีความสุขเราก็เลือกอารมณ์ชนิดนั้นมาคนไหนพุโทโธแล้วมีความสุขนะก็พุโทโธพุทโธสบายใจไปทําอย่างสบายใจเคล็ดลับอยู่ที่สบายใจนะถ้าเราอยากทําจิตให้สงบเนี่ย จิตต้องสบายถ้าจิตสบายเมื่อไหร่จิตจะสงบเมื่อนั้นส่วนมากจะกลับหัวกลับหางคิดว่าถ้าจิตสงบแล้วจะมีความสุขที่จริงถ้าเรามีความสุขนะจิตจะสงบไม่กลับข้างกันนะแต่ความเข้าใจของคนทั่วๆไปทําไมจิตไม่สงบเพราะจิตเนี่ยถือวิ่งพล่านๆไปตลอดเวลาวิ่งพล่านไปเพื่ออะไรเพื่อวิ่งไปหาความสุขความเพลิดเพลิ น, พ, นพอใจแต่มันวิ่งไปนับมันไม่ได้สิ่งที่มันต้องการมันก็วิ่งต่อไปอีก ถ้าเราฉลาดพอเราก็มาสังเกตตัวเองว่าใจของเราเนี่ยอยู่กับกรรมฐานอะไรแล้วมีความสุขเราก็ทํากรรมฐานานั้นบ่อยๆเพอใจเราอยู่ในสิ่งที่มีความสุขแล้วใจก็ไม่สซนออกไปจิตใจเราคล้ายเด็กนะจิตใจเราเหมือนเด็กซุกซนเด็กซุกซนเนี่ยมันหนีออกไปเที่ยวนอกบ้านถ้าผู้ใหญ่เอาไม้ไปไล่ตีเด็กก็เครียดผู้ใหญ่ก็เครียดไม่มีความสุขด้วยกันทั้งคู่ผู้ใหญ่ฉลาดหน่อยก็หาสิ่งที่เด็กชอบนะมาให้เด็ก อย่างเด็กชอบกินไอติมนะซื้อไอติมมาไว้ในบ้านเยอะๆหน่อยเด็กก็ไม่ไปไหนอ่ะเด็กก็อยู่ในในบ้านหรือเด็กมันชอบเล่นอะไรนะหาของเล่นให้มันมันก็ไม่ไปเที่ยวที่อื่นเพราะมันมีความสุขอยู่ในบ้านจิตนี้ก็เหมือนกันถ้าเราหาอารมณ์ที่มีความสุขมาให้มันนะมันจะไม่หนีไปเที่ยวเคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้เองส่วนใหญ่ที่ทําสมาธิแล้วไม่ยอมสงบสักทีนะเพราะบังคับจิตเหมือนถือไม่เรียวคอยเฝ้าไม่ให้เด็กหนีไปเที่ยวเด็กก็เครียดเราก็เครียดนะ นั่นไม่ใช่วิธีทำกรรมฐานที่ถูกเลยวิธีทํากรรมฐานที่ถูกต้องก็คือถ้าอยากให้จิตสงบต้องรู้จักตัวเองว่าเราอยู่กับอารมณ์อะไรแล้วมีความสุขแต่อารมณ์นั้นต้องไม่ยั่วกิเลส น, นะอย่างถ้าเราด่าคนอื่นแล้วมีความสุขเนี้ยจะไม่เกิดสมาธิที่ดีหรอกเล่นไพ่แล้วมีความสุขเกิดสมาธิไหมเล่นไพ่มีตำรวจมายังไม่รู้เลยเห็นไหมมีแต่ว่าสมาธิอย่างนั้นมันใช้ไม่ได้มันออกแปงข้างนอกมันสนใจสิ่งข้างนอก มันจะไม่สามารถเดินปัญญาต่อได้เพราะการเจริญปัญญาเนี่ยคือการเรียนรู้ความจริงของกายของใจของตัวเองงั้นสมาธิที่เราเลือกทำนะั้นเป็นสมาธิที่เกี่ยวข้องกับกายกับใจของเราเนี่ยดีที่สุดหรือบางคนจุดไฟขึ้นมาแล้วก็นั่งดูไฟไปนะมีความสุขดูเตโชกสินไปเรื่อยสว่างสวัยนะทำให้แสงใหญ่แค่ไหนก็ได้เที่ยวรู้เที่ยวเห็นออกข้างนอกสมาธิอย่างนี้มีความสุขเหมือนกันบางคนชอบนะมีความสุขมีสมาธิ แต่สมาธิมันไปข้างนอกมันไม่ย้อนเข้ามาที่กายที่ใจเพราะฉะนั้นจะขัดขวางการเจริญปัญญาในในขั้นต่อไปนะนนเราควรจะทําสมาธิอะไรที่เกี่ยวกับกายกับใจของเราเนาะเช่นถ้าเราหายใจแล้วมีความสุขนะเราหายใจไปหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวแค่หายใจออกกับหายใจเข้านะความรู้สึกยังไม่เหมือนกันเลยเราพวกเราทดลองนะต่อไปนี้เราจะเริ่มปฏิบัติทุกคนเริ่มด้วยการหายใจเข้าสิ หายใจเข้าแล้วหายใจออกเอาเริ่มเอาแล้วพอละเราเปลี่ยนใหม่ยิ้มหวานหวานกันยิ้มยิ้มยิ้มหวานหวานซิเหมือนกับสาวมาบอกรักเอาแล้วใจคลายออกจากสมาธิตะกี้แลวรู้สึกไหมใจตอนนี้กับตอนที่ทำสมาธิตะกี้ใจไม่เหมือนกันตอนนั้นนิ่งๆซึมๆนะเราเปลี่ยนใหม่เราเริ่มทำสมาธิด้วยการหายใจออกิหายใจออกก่อนแล้วค่อยหายใจเข้าทีหลังเราทำถู รู้สึกไหมมันเป็นความรู้สึกที่ผ่อนคลายไม่เหมือนกันถ้าเริ่มต้นใจจะแข็งแข็งขึ้นมาเลยนะแต่ถ้าหายใจออกก่อนนะใจจะผ่อนคลายนะเคล็ดลับของสมาธิอยู่ที่ความสุขงั้นเริ่มต้นนะทำใจให้มีความสุขไปก่อนทายังไงไม่ทำอะไรก็ไม่ได้นะยิ้มหวานหวานไหมยิ้มออกมาจากข้างในเลยนะยิ้มแบบให้ใจเรายิ้มจะเลยให้มีความสุขจากข้างในนะแค่นั้นสมาธิก็ เ, เกิดแล้วนะขอ ง, ง่ายง่ายถ้าใจเรามีความสุขเมื่อไหร่สมาธิก็ เ, เกิดเมื่อนั้นแหละ ลองไปหัดรำนะนี่เราจะฝึกให้ใจิตใจมีความสุขเวลาเราอยู่กับโลกมันเครียดนะบางครั้งทํางานเครียดมากเหนื่อยมากบางครั้งก็เจอเพื่อนร่วมงานไม่ดีเจอนายไม่ดีเราไม่รู้จะไปหาความสุขยังไงเราก็ไปกินเหล้าโทษกินเหล้าไม่มีความสุขเรานักสมาธิมีความสุขกว่ากินเหล้าเยอะเลยนะหายใจด้วยความรู้สึกตัวหายใจอย่างมีความสุขนะใ จ, ใจิตใจมันจไม่เป็นเที่ยวที่อื่น พอจิตใจมันไม่หนีไปเที่ยวที่อื่นแนละมันอยู่ในอารมณ์เดียวแค่อยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจอยู่กับท้องพองยุบอะไรเงี้ยใจจะได้สมาธินะจะมีความสุขเคล็ดลับมันแค่นี้เองงั้นสิ่งแรกที่วันที้ที่หลวงพ่อสอนให้ก็คือเคล็ดลับในการทําใจให้มีความสุขทําใจให้มีสมาธินะถ้าฝึกใจให้สบายๆใจจะมีสมาธิแต่อย่าให้มันลืมตัวเองหลายคนที่ฝึกสมาธินะแล้วขาดสติ ทำสมาธิแล้วก็เคลิบเคลิมบางคนทำสมาธิแล้วเคร่งเครียดมีสองพวกนะพวกเคลิบเคลิมกับพวกเคร่งเครียดใช้ไม่ได้ทั้งคู่อะนั่งสมาธิแล้วเคลิบเคลิมทำให้ดูเนี่ยนะยนี่อีกพวกหนึ่งเคร่งเครียดนะเคร่งเครียดเนี่ยใช้ไม่ได้หรอกสมาธิไม่ต้องใจต้องสบายใจสบายรู้สึกตัวไปสบายๆนะไปลองทำนะแล้วจะมีความสุขมากขึ้น แล้วถัาจากนี้เราจะเรียนบทเรียนอีกอันนึงอันนี้น่าเรียนกวาันแรกบทเรียนอันนี้นะคือการเจริญปัญญาคนเราที่มีความทุกข์เนี่ยในจิตใจนะมีความทุกข์ขึ้นมาเพราะอะไรเพราะจิตใจนี่ยอมรับความจริงของสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นไม่ได้ยอมรับความจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้อย่างเราหวีผมอยู่นะเจอผมงอกนึกถึงผมงอกเส้นแรกได้ไหม ใครนึกได้ผมหงอกเส้นแรกที่เราเห็นนะ่ะรู้สึกไม่หวั่นไหวนะมีความทุกข์เยอะเส้นที่ห้าร้อยนี่ชักเฉยๆลแล้วแล้วเส้นที่พันนี่ธรรมดาเลยนะทําไมผมหงอกเส้นแรกมีทุกข์มากยอมรับไม่ได้ไม่อยากแกนะ่หรือพวกเราคนไหนที่พ่อแม่ตายแล้วบ้างมีไหมยก ม, มือให้ดูหน่อยสิพ่อแม่ตายคนไหนมีลูกตายบ้างมีไหมที่ลูกตาย เนี่ยตามสถิตินะคนที่ลูกตายเนี่ยทุกมากกว่าที่พ่อแม่ตายพ่อแม่ตายเนี่ยพวกเราก็คิดอยู่เสมอใช่ไหมพ่อแม่ควรจะตายก่อนเราการตายเนี่ยควรจะตายตามอาวุโสผู้ใหญ่ควรจะตายก่อนเด็กงั้นเราบางทีเราก็เคยคิดนะว่าพ่อแม่ต้องตายก่อนเราเพราะฉะนั้พอเวลาพ่อแม่ตายเนี่ยมันยอมรับง่ายไม่ทุกมากแต่เราไม่เคยคิดว่าลูกจะตายก่อนเราพอลูกตายปุ๊บเนี่ยทนไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะยอมรับความจริงของชีวิตไม่ได้ ถ้าเรายอมรับความจริงของชีวิตไม่ได้นะเราจะถูกมากถ้าเรายอมรับความจริงของชีวิตได้เราจะไม่ถูกหรงั้นพระพุทธเจ้าถึงสอนการเจริญปัญญามาเรียนรู้ความจริงของชีวิตถ้าเราเข้าใจความจริงของชีวิตแล้วเราจะไม่ถูกทางจิตใจอีกต่อไปความจริงของชีวิตสิ่งที่เรียกว่าชีวิตมันมีอะไรบ้างมีร่างกายกับจิตใจมีส่วนของร่างกายกับส่วนของจิตใจภาษาพระชอบเรียกรูปธรรมนามธรรมา ส่วนของร่างกายพวกเราคนไหนคิดว่าเราจะตายวันนี้บ้างมีไหมใครคิดว่าจะตายวันนี้ไม่มีหรอกตายเดือนนี้ตายปีนี้มีไหมปีนี้เหลือไม่กี่วันละไม่มีใครคิดว่าจะตายเลยคิดไม่ปีหน้าจะตายอีกสิบปีชัดไม่แน่เห็นไหมแต่โชคใกล้ๆเนี่ยยังไม่ตายเราลืมความจริงของชีวิตไป ชีวิตนี้ตายเมื่อไหร่ก็ได้คนที่หลวงพ่อรู้จักนะตายไปเยอะแยะและ้วตายไปเยอะแยะและ้วเด็กกว่าเราก็ตายผู้ใหญ่กว่าเราตายเราก็รู้สึกปกติเด็กๆตายนีย่เยอะแยะเลยถ้าชีวิตเนี่ยจริงๆแล้วเป็นของไม่แน่นอนหรือร่างกายเราเนี่ยพวกเรารู้สึกแม่ร่างกายเราเนี่ยเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างบางขณะร่างกายก็เป็นสุขบางขณะร่างกายก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเราจะรู้สึกว่าอยาก อยากให้มันมีความสุขตลอดไปอยากให้มันไม่ทุกข์ตลอดไปแต่ถ้าเรามาเรียนความจริงของร่างกายนะล้วคอยรู้สึกอยู่ในร่างกายบ่อยๆเราจะเห็นว่าร่างกายนี้มีทุกข์นะร่างกายไม่ใช่มีสุขกับทุกข์ร่างกายมีแค่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยพวกเราลองนะเราทดสอบดูว่าจริงไหมว่าร่างกายนี้มีทุกข์มากมีทุกข์อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกลองหายใจออกสิหายใจออกแล้วดูว่าทุกไหมอย่าหายใจเข้านะ ช่วงหายใจออกอ่ะไม่กี่วินาทีรู้สึกไหมมันทุกข์ล้ต้องหายใจเข้าล้เอาลองหายใจเข้าสิไม่กี่วินาทีเลยทุกข์อีกแล้วรู้สึกไหมเมื่อหายใจออกนะมันก็เกิดความทุกข์เราก็ต้องหายใจเข้าเพื่อแก้ทุกข์หายใจเข้าแล้วนะมันก็เกิดความทุกข์อีกเราก็หายใจออกเพื่อแก้ทุกข์และในความเป็นจริงแล้วความทุกข์มันบีบคันเราตามขยี้เราอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเลย ทำไมเรานั่งแล้วเราต้องขยับไปขยับมาเพราะมันเมื่อยใช่ไหมทำไมนั่งแล้วต้องลุกขึ้นยืนต้องเดินต้องนอนอะไรเปลี่ยนอิริยาบทไปเราต้องเปลี่ยนอิริยบทตลอดวันเนี่ยเพราะว่ามันทุกข์เนี่ยในเวลาที่ผ่านมานะตลอดชีวิตเราตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเราก็พลิกไปพลิกมาดิ้นไปดิ้นมากระดุกกระดิกไปเรื่อยๆหรือนั่งนั่งอยู่มันคันขึ้นมานะก็เก่าเก่าเพื่ออะไรเพื่อแก้ทุกข์ ความทุกข์นี่มันเกิดอยู่ในร่างกายเราตั้งแต่เกิดแต่เราไม่เห็นเราไม่เคยสนใจที่จะเรียนรู้งั้นเราคอยรู้สึกอยู่ในร่างกายบ่อยๆนะเราจะเห็นว่าในร่างกายนีมีแต่ความทุกข์ทุกมากกว่ทุกน้อยไม่ใช่สุขกับทุกถ้าเห็นอย่างนี้ได้เมื่อไหร่นะต่อไปไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในร่างกายนยีใจเราจะไม่ทุกข์ความทุกข์มันจะอยู่ที่ร่างกายเท่านั้นเองเพราะใจมันยอมรับความจริงได้ว่าร่างกายไม่ใช่ของดีของวิเศษอีกต่อไปแล้ว ร่างกายจะแก่นียคนซึ่งไม่เคยปฏิบัตินะก็จะรู้สึกเสียดายร่างกายที่ดีของเรากําลังแตกสลายไปแล้วกลายเป็นคนแก่แล้วหรือแก่ก็ใกล้าตายเข้าไปแล้วแต่คนซึ่งมีสติหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวยืนเดือนนั่งนอนรู้สึกตัวอยู่เนี่เราจะเห็นว่าตัวทุกข์อ่ะมันแก่ตัวทุกข์มันเจ็บตัวทุกข์มันจะตายไม่ใช่ตัวดีจะแก่จะเจ็บจะตายนะถ้าตัวทุกข์มันจะตายนะเราจะร่าเริงใจนะไม่ใช่เสียใจ งั้นเราคอยรู้สึกตัวบ่อยๆนะศัตรูสําคัญที่ทําให้เราเจริญปัญญาไม่ได้ก็คือความใจลอยความลืมเน้อลืมตัวรู้จักใจลอยไหมเวลาเราใจลอยเนี่ยเรามีร่างกายเราก็ลืมเหมืนนอนนะอย่างเราหายใจออกทุกหายใจเข้าทุกเราไม่เห็นนะเมื่อเราใจลอยหมดเดี๋คิดเรื่องอื่นเรานั่งอยู่เราคันเราก็เกาไปเรอยฟังไปเกาไปคุยไปเกาไปนะเราไม่เห็นนะว่าทุกงั้นเราคอยรู้สึกตัวนะอย่าใจลอย รู้สึกตัวรู้สึกในร่างกายบ่อยๆแล้วเราจะเห็นมันมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยสำหรับจิตใจจิตใจเนี่ยให้เราคอยสังเกตเอาพวกเรารู้จักความทุกข์ไหมความทุกข์ทุกเป็นไหมรู้จักสุขใช่ไหมสุขก็รู้จักทุกข์ก็รู้จักเฉยๆก็รู้จักโกรธเป็นไหมโกรธกลัวอิจฉากังวลเครียดเสงเบือ่อนี่ตระกูลโทสะนะเยอะยๆเลย ชี้เหนียวขี้เหนียวเป็นกิเลสตระ ก, กูลอะไรน้อยเรานึกว่าโลภะที่แท้โทสะเวลาเราเกิดความรู้สึกชี้เหนียวเนี่ยใจเราไม่สบายน้าใจไม่สบายเมื่อไร่นะโทสะเมื่อนั้นเลยใจเป็นตระ ก, กูลโทสะตระ ก, กูลโลภะตระ ก, กูลโลกเนี่ยอยากได้อยากโน่อนอยากนี่นะมันก็เป็นตระ ก, กูลโลกไปตระ ก, กูลหลงพวกฟุ้งซ่านพวกลังเลสงสยัยอะรพวกนี้ตระ ก, กูลหลงรู้จักฟุ้งซ่านไหม รู้จักไหมห่งซ้านรู้จักลังเลใจัหมรู้จักงงหัหงงเนี่ยเรารู้จักทุกอย่างนะความรู้สึกในใจสุขเราก็รู้ทุกเราก็รู้เฉยๆเราก็รู้นะจิตใจสบายจิตใจดีเราก็รู้จักจิตใจชั่วจิตใจโลภจิตใจโกรธจิตใจหลงเรารู้จักทั้งนั้นเลยเนะนี่ยคือกรรมฐานขั้นสุดยอดแล้วนะกรรมฐานชั้นสูงเลยต่อไปนี้นะความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจเรา ให้คอยรู้ไวๆหน่อยคนใจลอยมันจะไม่รู้ทันความรู้สึกของตัวเองเอย่าเราขับรถอยู่คนมาปาดหน้าเราเราโกรธเวลาเราโกรธเราจะสนใจไอ้คนที่ปาดเราใช่ไหมจะไปเอาคืนเราสนใจเขาเราไม่สนใจว่าจิตกําลังโกรธอยู่นี่มันแค่นี้เองเวลาเราเห็นสาวสวยเดินมานะใจเราชอบเขาเราจะไปดูสาวเราไม่เห็นว่าใจกําลังชอบเขา เราละเลยที่จะรู้ทันใจตัวเองทั้งๆที่รู้ก็รู้ได้แต่ละเลยนะต่อไปนี้พยายามรู้ทันความรู้สึกของตัวเองบ่อยๆจิตใจรู้สึกสุขก็รู้จิตใจรู้สึกทุกข์ก็รู้จิตใจเฉยๆก็รู้จิตใจโลภก็รู้จิตใจโกรธก็รู้จิตใจฟุ้งซ่านจิตใจหดหูจิตใจลังเลสงสัยจิตใจเป็นอย่างไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นรู้ไปเรื่อยๆนะแล้วต่อไปปัญญามันจะเกิดมันจะเห็นว่าความรู้สึกทุกชนิด ทั้งสุขและทุกข์ทั้งดีและชั่วมันเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วมันก็หายไปความสุขไม่มีนิรันดร์พวกเราอยากได้ความสุขใช่ไหมแต่ในความเป็นจริงความสุขไม่เที่ยงความสุขอยู่ไม่นานหรอกอย่างเราจีบสาวสักคนนะเราคิดว่าจีบได้แล้วจะมีความสุขไปหลอกเข้ามาสำเร็จนะเขามาแต่งงานกับเรากลายเป็นเรามีความทุกขอีกนะเราเบื่อใหญ่คนนี้แล้วความสุขเราหายไปแล้วมันแก่ง่ายตายยากเลยเบบนี้นะ หรือความรู้สึกรักก็เปลี่ยน <S <S ความรู้สึกรักก็เปลี่ยนความรู้สึกโกรธก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปได้แล้วสิ่งเหล่านี้นะความรู้สึกทุกชนิดในใจเราซึ่งเรารู้จักอยู่แล้วมันหมุนตลอดเวลามันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาคอยรู้มันบ่อยๆอย่ามัวแต่สนใจคนอื่นละเลยความรู้สึกของตัวเองคอยรู้ความรู้สึกของตัวเองเมื่อสองสัปดาห์นี้มีคนส่งข้อมูลมาให้หลวงพ่ออันนึง เป็นพระราชดำรัสของในหลวงเมื่อปี2523นะท่านพูดเรื่องในงานเฉลิมพระชนภรรษาเนี่แหละเมืนะ่อปี23ตอนนั้นเป็นงานที่ท่านไปพูดอะไรนะเาเรียกอะไรนะออกมหาสมาคมอมหาสมาคมแลนะท่านก็พูดท่านบอกว่าการปฏิบัติธรรมการศึกษาธรร ม, มนะนัมีปฏิบัติกับปริยักษ์ ปฎิยัติเนี่ยคือเรียนตำร า, าเรียนคำสอนส่วนการปฏิบัติไม่มีอะไรมากนะให้คอยรู้ทันใจของตัวเองไว้รู้ทันความรู้สึกของตัวเองไว้ท่านเก่ง น, นะนั่ท่านถึงเก่งขนาดนั้นท่านคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองพวกเราลองหัดดูนะตอนที่หลวงพ่อไปหัดกรรมฐานจากครูบาอาจารย์ตอนแรกๆเลยหัดทําสมาธิตั้งแต่เจ็ดขวบพ่อพาไปหาท่านพ่อหลีวัดอโศการัม ท่านปรีสอนหายใจหายใจเข้าพูดหายใจออกถอนหายใจไปยังมีความสุขจิตสงบได้แต่ความสงบจนอายุยี่สิบยี่สิเ้เจอหลวงปู่ดุลหลวงปู่ดูลสอนให้ดูจิตตัวเองก็เห็นจิตเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเรือยในเวลาไม่นานนะดูอยู่ในเวลาไม่นานเท่าไหร่ความรู้สึกนึกคิดเราเปลี่ยนไม่ใช่คนที่ฝึกกับหลวงพ่อทุกวันเนี้นะบางคนฟังซีดีที่หลวงพ่อเทศนะ์ฟังซ้ําๆไปนะี่ เดือนสองเดือนในชีวิตจิตใจเปลี่ยนเลยนะขอท้าเลยนะว่าคนที่เขาเปลี่ยนตัวเองได้แล้วเนี่ยมีนักไม่ท่วนหรอกนะพวกเราบางคนยังไม่เคยเปลี่ยนเพราะว่าไม่เคยได้ฟังธรรมะภาคปฏิบัติเราเคยฟังแต่ว่าให้ทําทานทึ้อศีล น, นั่งสมาธิทําใจสงบอะไรพวกนี้ลองมาปฏิบัติดูบ้างเรามาเจริญสตินะในชีวิตจริงๆนี่แหละเมื่อตามองเห็นความรู้สึกกอเราเปลี่ยนเมื่อหูได้ยินเสียงความรู้สึกเปลี่ยน จมูกได้กลิ่นเล้นได้รสกายกระทบสัมผัสเมื่อใจคิดนึกความรู้สึกมันเปลี่ยนความรู้สึกเนี่ยเปลี่ยนแปลงตลอดให้คอยดูไปแล้วจะเห็นว่าทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาในจิตใจของเราเป็นของชั่วคราวเราจะดูซ้ําำๆไปเรื่อยๆนะบางคนใจมันดือ้อก็ดูนานหน่อยบางคนใจไม่ดือ้อดูไม่นานใจก็ยอมรับความจริงยอมรับความจริงว่าอะไรว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดา เคยได้ยินไหมประโยคนี้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดและดับเป็นธรรมดาภาษาบาลีก็มียังกินจิสมุทะยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมนติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดและดับเป็นธรรมดาพระโสดาบันเห็นแค่นี้เองพระโสดาบันเห็นตรงนี้เองงั้นเรามาคอยดูว่าจริงหรือไม่จริงะสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาเนี่ยอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไป สิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วอยู่ชั่วคราวและดับไปอย่างรวดเร็วนะก็คือความรู้สึกในใจของเรานี้แหละดูง่ายที่สุดเลยนะแต่ร่างกายเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับเหมือนแต่ว่าใช้เวลานานอายุของร่างกายมันยาวกว่าอายุของจิตใจจิตใจเราเปลี่ยนตลอดเวลาตามองเห็นใจก็เปลี่ยนอย่างเห็นคนนี้ชอบเห็นคนนี้เกลียดได้ยินอันนี้ชอบได้ยินอันนี้เกลียดได้กลิ่นอย่างนี้ชอบได้กลิ่นอย่างนี้เกลียดกนะินอาหารรสอย่างนี้ชอบรสอย่างนี้เกลียด ใจมันจะหมุนตลอดเวลาเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็หดหูคอยรู้ทันใจตัวเองบ่อยๆตรงนี้แหละเป็นศาสตร์ที่จะช่วยให้เราพ้นจากความทุกข์ได้ในเวลาอันสั้นสั้นจริงๆนะไม่รับรองเลยว่าไม่ยาวหรอกเพราะเราคอยสังเกตไปเรื่อยๆว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยเวลาจะเกิดมันก็เกิดเองอย่างเวลาเราเห็นคนนี้ขึ้นมานะใจมันโกรธมันก็โกรธของมันเองนะ บางทีตั้งใจจะไม่โกรธยังโกรธเลยเคยไหมตั้งใจจะไม่โกรธแล้วก็โกรธใช่ไหมเพราะอะไรสั่งไม่ได้จิตเป็นอนัตตาสั่งไม่ได้ตั้งใจว่าจะไม่รักก็รักก็มีนะอย่างผู้หญิงบางคนเนี่ยไอ้หนุบ ม, มันมาหลอกหลอกแล้ววันหนึ่งจับได้ว่ามันมีเมียตั้งโหลหนึ่งตัดใจแล้วไม่รักมันอีกต่อไปแล้วมันมาอ้อนสองวันนะเปลี่ยนใจอีกแล้วรักอีกแล้วตั้งใจจะไม่รักก็รักอีกแล้วตั้งใจจะไม่โกรธก็โกรธเงี้ยมันบังคับไม่ได้หรอก งั้นเราไม่ได้ฝึกเพื่อจะบัง ค, รครับนะแต่เราฝึกเพื่อให้เห็นว่าความรู้สึกทุกชนิดที่เกิดขึ้นในใจเราเนี่เป็นของชั่วคราวความรู้สึกทุกชนิดที่เกิดขึ้นในใจเราเป็นของบังคับไม่ได้มันเป็นไปเองดูตรงนี้นะตรงที่เห็นว่ามันเป็นของชั่วคราวเรียกว่าเห็นอนิจจังตรงที่เห็นว่ามันบัง ค, รครับไม่ได้เรียกว่าเห็นอนัตตาดูของจริงในใจของเรานี่แหละธรรมะไม่ได้อยู่ที่อื่น ธรรมะแสดงตัวอยู่ในกายอยู่ในใจนี้ตลอดเวลาร่างกายก็แสดงความแก่ความเจ็บความตายให้ดูตลอดเวลาอย่างเราหายใจออกพอหายใจเข้านะร่างกายที่หายใจออกก็หมดไปแล้วสิ้นไปแล้วชีวิตสั้นลงไปหน่อยหนึ่งแล้วถ้าเราค่อยรู้สึกอยู่เราจะเห็นได้มีแต่ความคลอนแคลนเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยอะไรไม่ได้จริงเลยนะไม่นานก็หมดลมหายใจไปจะค่อยๆรู้สึกไปหรือจิตใจเนี่ยเราก็จะเห็นมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายหัดรู้ไปเรื่อยๆนะหัดรู้ไปเรื่อยๆคนทั่วไปมันรู้ไม่ได้เพราะว่ามันสนใจคนอื่นอย่างที่ยกตัวอย่างเขาขับรถปานหน้าโกรธเขาไม่เห็นว่าโกรธมวแต่ไปดูให้คนปาดนะเห็นอะไรสวยๆมวลจะไปดูสิ่งที่สวยๆลืมดูใจว่ากําลังโลภอยากจะได้ต่อไปนี้หัดรู้ทันใจของตัวเองให้บ่อยๆไว้ยิ่งบ่อยเท่าไหร่ยิ่งยิ่งเข้าใจเร็วเท่านั้น ไม่ไม่ใช่ความรู้ของสมองนะอันเนี้ยเป็นความรู้ของใจเพราะเราจะมานั่งคิดเอาเองใจไม่เชื่ออย่างเราคิดว่าเราจะต้องตายคิดได้ใช่ไหมแต่เชื่อไหมว่าจะตายวันนี้ไม่มีใครเชื่อสักคนไม่มีใครเชื่อหรอกเพราะความคิดกับความจริงโคล่านกันต้องดูของจริงเข้าไปเลยโดนะยเฉพาะของจริงในใจของเราเนีนะ่มันหมุนเวียนเปลี่ยนแป ล, ง, แปลงตลอดเวลาถ้าดูได้นะในเวลาไม่นานหรอกบางคน7วัน7เดือน7ปีเนี้ย บางคนมากกว่านั้นหน่อยใจมันดื้อมากมันแค่ใจมันจะยอมรับความจริงใจยอมรับความจริงว่าทุกอย่างในชีวิตเราเป็นของโชคลาภถ้ายอมรับตรงนี้ได้แล้วก็ต่อไปไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในชีวิตนะความทุกข์มันจะน้อยกว่าชาวบ้านเขาคนอื่นก็ทุกข์จะเป็นจะตายเราทุกข์นิดนิดหน่นอยๆน่อพอสมควรถ้าฝึกดีมากๆไม่ทุกข์อีกเลยใะไม่ทุกข์อีกเลยนี่คือศาสตร์แห่งการถอดถอนความทุกข์ออกจากใจตัวเอง ส่วนเวลาทํางานไปถ้าเหนื่อยนะก็ทําทสมาธิบ้างมีสมาธิง่ายๆหลายอย่างนะเรียนทําอะไรไม่ได้นะพวกเราลองกลั้นใจกลั้นลมหายใจนิดหนึง่งแล้วเอาความรู้สึกจับไปที่ความรู้สึกว่างๆลอง ท, ทําสิเอาละพอละอย่าทานานนะทํานิดเดียวรู้สึกไหมใจมันกลับเข้ามาใจมันสงบขึ้นมาเวลาเหนื่อยนะ เวลาเหนรวมจิตปุ๊บถอยออกมานะมีแรงอีกชั่วโมงนึงมีแรงอีกชั่วโมงหงมรงอือครึ่งชั่วโมงตั้งแรกจะได้แรงยาวหน่อยพอเหนื่อยครั้งที่2องนะทำปุ๊บรับความยาวนี่สั้นลงหน่อยสุดท้ายก็ต้องพักนะแต่อันนี้เอาไปใช้ในทางโลกหรือทําอะไรไม่ได้ก็สวดมนต์ไปบทสั้นๆในใจเราหรือเจริญเมตตาไปคนรุ่นเราเนีขี้โห คนคิดโมโหเยอะนล้นเรากรรมฐานที่ง่ายๆที่จะทำให้ใจสบายอย่างเจริญเมตตาบริกรรมไปใช้คาถาสมเด็จโตก็ได้เมตตาคู่นางอารหังเมตตาเมตตาคุณางอารหังเมตตาบริกรรมไปใจเราอยู่กับคำบริกรรมใจก็สงบใจสงบแล้วใจก็มีความสุขแบ่งเวลาให้ใจได้พักบ้างในแต่ละวันนะส่วนตอนที่อยู่ใช้ชีวิตธรรมดาเนีย จเจริญสติรู้ทันความรู้สึกของตัวเองทำให้ได้สองอย่างนี้แล้วชีวิตจะสบายชีวิตจะสบายจิตใจที่มีความสุขนะมันจิตใจที่สงบแต่จิตใจสงบอย่างเดียวไม่พอต้องให้จิตฉลาดด้วยโดยการพาจิตไปดูของจริงของจริงแสดงอยู่ที่ไหนของจริงแสดงอยู่ที่กายที่ใจนิ่งรู้สึกกายไปก็เห็นวนะ่าร่างกายนี้มีแต่ความทุกข์บีบคั้นตลอดเวลา หายใจออกก็ทุกหายใจเข้าก็ทุกยืนเดินนั่งนอนก็ทุกนี่คือความจริงของร่างกายความจริงของจิตใจก็คือความไม่เที่ยงการบังคับไม่ได้เป็นอนัตตาไม่เที่ยงก็เป็นอนิจจังมันเปลี่ยนตลอดเวลาทุกคราวที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ความรู้สึกก็เปลี่ยนแล้วจะเปลี่ยนไปในทางดีหรือทางร้ายทางสุขหรือทางทุกข์เลือกไม่ได้อันนี้เป็นอนัตตาเนี่ยหัดดูบ่อยๆนะในเวลาไม่นานจะเปลี่ยน หลวงพ่อกล้ายืนยัดเลยนะถ้าทําที่บอกเนี่ยในเวลาไม่นานเราจะเปลี่ยนเหมือนเป็นคนเกิดใหม่นะที่วัดสงพ่อก็มีนะมาเรียนบางคนมาเรียนผู้หญิงมาเรียนฟังฟังอยู่แล้วก็ไปหัดภาวนาที่บ้านนะวัดหลังสามีตามมนาะที่วัดสงสัยหลวงพ่อเอาอะไรให้กินหรือเปล่าเมื่อก่อนนะมันพูดมากกินจุกดูอย่างกับหมานะเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปหน้าตาก็เปลี่ยนนะ คนมีศีลมีธรรมขึ้นมานะหน้าตาสดใสเขามาบอกเลยเขาอยากเรียนกรรมฐานบ้างผู้าชายนะเพราะว่ารู้สึกเหมือนได้เมียใหม่มีเมียให ม, ม่เมียเก่านี่ร้ายมากเลยหน้าตายับย่นเรียวกราดพระมหัาภาวนานะหน้าตาสดใสเคยมีนะเขสัมภาษณ์หนะังสืออะไรผมข้จําไม่ได้แนละ้วไปสัมภาษณ์ห้าคนผู้หญิง้็ทำยังไงถึงสวยมีอยู่คนหนึ่งตอบว่า ฟังซีดีหลวงพ่อประโมทไม่ได้ใช้เครื่องสัมมาวิเศษอะไรหรอกฟังซีดีแล้วสวยกว่าเขาเพาอะไรจิตใจที่มันอยู่กับเนื้อกับตัวนะมันโปร่งใสแก่แล้วก็ยังสวยนะหน้าตามันสดชื่นคนซึ่งหน้าตาดีแต่ใจเครียดเนี่ยดูไม่ได้เลยนะเคยเจอไหมหน้าตาสวยๆแต่ใจมันเครียดใจมันร้ายมากๆเลยไม่มีใครอยากเข้าใกล้หน้าเรานะหน้าตาหน้าดูไม่ได้เลย พวกเราหลายคนก็หน้าตาดูไม่ได้นะแต่ว่าถ้าใจเราดีนะคนเขาอยากเข้าใกล้เรานะมี ใ, ใจเรามันร่มเย็นเป็นสุขอะไปลองดูนะเราดูว่าจริงไหมนะขอท้านะก็ <c oughs> <c oughs> คนอื่นนะที่ไปสอนหลวงพ่อไปเทศมาหลายประเทศแล้วนะไปประเทศโน้นประเทศนี้แล้วก็ในเมืองไทยเนี่ยก็ไปมาเยอะแยะไปหมไปจังหวัดโน้นจังหวัดนี้คนซึ่งไม่เคยเจอหลวงพ่อเลยแค่ฟังซีดี เขามาหานะมามาบอกว่าเขาจิตใจเขาเปลี่ยนไปแล้วชีวิตเขาเปลี่ยนไปแล้วมีศีลมีธรรมขึ้นมาเคยมีนี่ศีล น, นะนี่ศีลยังลดเลยทําไมควรเป็นนี่เป็นนี้เพราะมันโลภมากมันอยากมากไปมันก็เป็นนี่สิเราขี้เกียจทํามหากิบก็เป็นนี่เนี่ยพอมาฟังซีดีนะปฏิบัติทำไปนะความโลภมันก็ลดลงนะเวลาอยากเห็น มี iPhone 5แนละ้ว iPhone 6ก็อยากได้อีกแล้วของเก่ายังใช้ไม้หมดเลยใช้ยังใช้ได้ อ, อยู่จะเปลี่ยนอีกแล้วใจมันโลภมากมันเพรเป็นนี่สิเนี่ยเพราะมันเห็นใจที่โลภนะมันก็ไม่ซื้อแล้วละเพราะเราพยายามฝึกนะฝึกเราชีวิตเราจะดีขึ้นคนที่เป็นนี่เป็นสินนี่สิ น, น, ส น, นุจะลดลงเพราะเราจะบริโภคตามความจําเป็นไม่ใช่บริโภคตามความโลภบริโภคตามความอยากนะเท่าไหร่ก็ไม่พอบริโภคหรอก ให้เงินเดือนเดือนละล้านกนะ็ไม่พอกินเพราะว่าความอยากของเราจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆั้นเรามาดูนะดูรู้เท่าทันตัวเองไปทำให้ได้อย่างนี้นะแล้ชีวิตจะเปลี่ยนบางทีนะนั่งรถไปประเทศอ่ะไปแวนะแบบเข้าห้องน้ำตามปัม๊มบางคนมาเห็นหลวงพ่อนะหลวงพ่อไม่เคยเห็นเขารเขาเคยเห็นในออินเทอร์เนต็ตอะไรเงี้ยมาขอบคุณ มาชีวิตเขาเปลี่ยนบางคนอยู่ตามขายของตามถนนตามแผงลอยตามอะไรเขาก็ฟังชีวิตเขาเปลี่ยนเขามีความสุขได้พวกเราทำมาหากินไม่ได้ลําบากเท่าเขานะรายได้ก็มั่นคงกว่าเขาเลยเแต่บางทีความสุขสู้เขาไม่ได้เพราใจเราไม่ได้ฝึกไปฝึกเขานะแล้วชีวิตจะเปลี่ยนวันนี้ฟังเท่านี้ก็พอลนะ้วดีใจไหม ใครดีใจยกมือซิเออมันต้องอย่างนี้สิดีใจที่เลิกแล้วน <laughs> ดีใจดีใจให้รู้ทันรู้สึกไหมมีความสุขมีความสุขก็รู้ดูไปรู้ไปรู้ทันตัวเองที่กําลังมีความสุขไปเห็นไหมว่าความสุขลดระดับลงเรื่อยๆกลายเป็นความเฉยๆความสุขก็ไม่เจียงแล้วต่อไป เดี๋ยวอาจจะอารมณ์ดีอารมณ์ร้ายหมุนเปลี่ยนไปเรื่อยๆดูบ่อยๆแล้ววันหนึ่งจะเข้าใจเข้าใจนะไม่ใช่เข้าสมองเข้าหูเข้าหูซ้ายออกหูขวาถ้าเข้าใจแล้วคือเข้าใจเลยเอาใครจะคุยกับหลวงพ่อเชิญนมรดกการหลวงพ่อเจ้าค่ะก็ปฏิบัติมาประมาณ 6- 7เจ็ดปีค่ะไม่เคยส่งกันบ้านแต่ก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเองนะเจ้าค่ะ ก็เห็นว <ety 56? No. S 2> <una> ่าม so ีช่วงที่มีสมาธิดีบ้างไม่ดีบ้างนะคะสลับกันไปก็ในรูปแบบส่วนใหญ่นี่จะอาศัยช่วงที่ทํากิจกรรมที่ไม่ต้องใช้ความคิดนะคะก่อนหน้านี้นั่งสมาธิไม่ได้เลยเพิ่งเพิ่งมาพยายามทําได้เมื่อเมื่อไม่นานมานี้คือนั่งแล้วอึดอัดนะคะก็ช่วงช่วงหลังๆนี่ก็วันละประมาณ10นาทีก็ไม่ไม่ค่อยสม่ําเสมอเท่าไหร่อะเจ้าค่ะก็ไม่ทราบว่ามาถูกทางไหมเจ้าค่ะก็ดีกว่าเก่าแล้วเนาะ พยายามรู้สึกตัวไปได้นะพยายามดูไปร่างกายก็เป็นส่วนหนึ่งใจก็เป็นส่วนหนึ่งค่อยๆหันแยกไปเรื่อยๆจนมันชํานานญะมีจุดอ่อนนิดเดียวก็คือใจมันฟุ้งเก่งไปหน่อยเพราะฉนั้นเราต้องมีเครื่องอยู่ให้ใจอยู่เวลาว่างๆไม่มีอะไรทําก็อยู่ก็ลมหายใจอยู่กับพุทธโธแล้วก็คอยรู้ทันใจของตัวเองบ่อยๆต่อไปเราก็จะอ่านใจตัวเองได้ชํานาญขึ้นมัไม่จะไปได้ดีกว่านี้อีกดีศีลดีขึ้นไหม ศีลรักษาได้ง่ายขึ้นไหมก็ดีขึ้นขึ้นจิตใจอยู่กันเนื้ก็ตัวบ่อยขึ้นไหมมีช่วงสองสามเดือนหลังเนี่ยค่ะมีเรื่องฟุ้งเยอะเจ้าค่ะฝึกนะฝึกทุกวันแบ่งเวลาไว้วันหนึงสิบห้านาทีไหว้พระสวนมนต์สองสามนาทีที่เหลือเนี่ยทำกรรมฐานแล้วค่อยรู้ทันจิตไปจิตไหลไปคิดจะรู้จิตนีไปเพ่งอะไรอยู่ก็รู้นะ แล้วต่อไปอยู่ในชีวิตประจำวันเขาก็รู้ทันความเปลี่ยนแปลงของมันไปคืออย่างนี้แหละต่อไปมันก็ดีกว่านี้จะฟุ้งเก่งหยุกต่อไปวันนี้สมาธิดีกว่าว่าไปนมัส ก, กาหลวงพ่อค่ะคือวิวขอล่า ย, ยาวหน่อยโอ้ยายาวมากนะหลวงพ่ออยู่ไกล อ๋อค่ะค่ะคือว่าวิวฟังซีดีหลวงพ่อมาเมื่อ8ปีก่อนค่ะตั้งแต่ลูกยังเล็กๆฟังไม่รู้เรื่องเลยค่ะคือสงสัยหัวคดเธอค่ะก็เลยฟังมาแล้วก็ไม่ไม่เข้าใจฟังก็ไม่เข้าใจฟังแล้วปวดหัวด้วยก็ค่ะหลังจากนั้นก็มาฟังซีดีเรื่อง แดดเธอผู้มาใหม่ค่ะแล้วก็เหมือนพอจะเข้าใจนิดหน่อยแล้วก็เริ่มมาปฏิบัติแ<ด>นว<ะ>หลวงพ่อค่ะก็คือเกิดสภาวะก็คือวิบังเอิญวิวเป็นคนโกรธง่ายไปได้สภาวะไอเรื่องความโกรธเนี่ยแหละ<ด>ค่ะมาก็คือความโกรธก็คือเริ่มจากความโกรธก็คือเอ า, อางี้ดีกว่าหนูไม่ต้องบรรยายะนะค่ะ เราเห็นไหมว่ากายกับใจเป็นโค ล, ล่ากัคนค่ะขันไม่แยกได้แล้วละ่ะเมื่อขันไม่แยกได้เราจะเห็นสภาวะของรู ป, ปรธรรมก็เป็นอันหนึง่งนำมธรรมมีหลายอย่างใช่ไหมค่ะเกี่ยวความโกรธก็เป็นสภาวะอย่างหนึง่งความโลภความหลงเป็นสภาวะอย่างหนึง่งตัวรู้ใจของเราเป็นคนรู้ก็เป็นสภาวะหนึง่งสภาวะทั้งหลายเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปมาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเฝ้ารู้สภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนั่นแหละคือการปฏิบัติล่ะ ถ้าไม่เห็นสภาวะนะก็ใช้ไม่ได้เห็นแต่สภาวะแต่ไม่เห็นไตรลักษณ์ของสภาวะก็ยังไม่ขึ้นวิปั ส, สนาตะองวิปั ส, สนาเนี่ยคือการเห็นไตรลักษณ์ของสภาวะทั้งหลายเนั้นการที่เราเห็นสภาวะคือความโกรธความโกรธเป็นสภาวะอันหนึ่งถูกต้องแล้วเราก็เห็นต่อไปว่าความโกรธนะอยู่ๆมันก็โกรธได้เองนะมันมาเองมันไปเองมันป้องกัน ร, รักษาอะไรไม่ได้ห้ามไม่ได้อันนี้ แสดงให้เห็นความเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาของความโกรธค่ะแม้ความรู้สึกอย่างอื่นก็ดูแบบเดียวกันนี้แหละดูไปเรื่อยๆไม่ๆค่ะคือว่าคือวิวจะบอกว่าพอวิวเห็นความโกรธอะ่ะมันจะมีอยู่หลายๆครั้งที่ที่มันมีอาการเหมือนว่าแวบแล้วเย็นไปทั้งตัวแล้วความโกรธนรั้นค่ะเป็นเรื่องของสมาธินะค่ะเรากําหนดมากๆเนี่ยพอความโกรธเกิดแล้วกําหนดปุ๊บตรงที่กําหนดนี่แหละคือสมาธิละ เป็นสมถะนะจิตใจมันจะเย็นเจียบขึ้นมาเลยถ้าวิปัสนาจะเห็นเกิดดับมันจะไม่มีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นเลยอ๋อค่ะอนั้นยังกําหนดอยู่อ๋อค่ะถ้ากําหนดเป็นสมถะนะเพราะอะไรก็ยังคิดอยู่วิปัสนาไม่ใช่คิดถ้าเรายังคิดอยู่เรียกว่าวิตกวิปัสนาปัสนาว่าเห็น วิแปลว่าแจ้งเห็นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงคือเห็นไจรักไม่เห็นความโกรธเกิดแล้วดับเกิดแลดับแต่ถ้าพอความโกรธเกิดโกรนน็อกโกรนนอกความ โ, รามโรกมโรธดับพุ๊บใจเย็นฉ่าให้มาเลยนี่เป็นเรื่องของสมาธิการบริกรรมคืออยู่แค่มองดูมันเฉยเอยคือให้มันเห็นแค่มันดับนี่แหละให้มันเย็นเย็นนี่แหละไปเฉยเฉยได้ถ้าเย็นขึ้นมาก็ดูเย็นอีกดูเย็นอีกครั้งแต่ดับให้มันไปเฉยเฉอแต่เวลาดูอย่าถลําลงไปดู นะถ้าถาลำลงไปดูเป็นสมถาถ่ายอีกแล้วลงไปเพ่งนะดูห่างๆเข้าใจค่ะนมัสการหลวงพ่ อ, อคือหลวงพ่อเคยให้กันบ้านว่าให้ไปดูอารมณ์โกรธทีนีพ้พอกลับมาช่วงแรกก็พอพอดูทันนะพอหลังจากนั้นเนี่ยมันตามไม่ทันก็เลยใช้ ใช้ความเมตตาใส่เข้าไปได้ตรงที่เราใช้เจริญเมตตาเป็นสมถะค่ะถ้าเจริญวิปัสสนาไม่ได้ทําสมถะไว้ก่อนก็ยังดีทีนี้อยากทราบว่าทํำทันให้ทันยังไงให้ทันจิตคือขาดสมาธิใช่ไหมคะหลวงพ่อขาดสติสิขาดสติสติเป็นตัวรู้ทันปัญญาเป็นตัวเข้าใจสมาธิเป็นความตั้งมั่น งั้นจะรู้ทันหรือไม่รู้ทันอยู่ที่สติจะเกิดหรือไม่เกิดสติจะเกิดหรือไม่เกิดสั่งไม่ได้เพราะสติก็เป็นอนัตตาสติจะเกิดได้นะถ้าจิตจําสภาวะได้แม่นจิตจะจําสภาวะได้แม่นถ้าเห็นบ่อยๆเพราะงั้นเราคอยคอยรู้ทันความโกวดบ่อยๆ <Okay. S 1> เวลาใจไม่แช่มชื่นรู้ทันใจไม่แช่มชื่นรู้ทันหัดอย่างนี้เรื่อยๆ พอจิตมันจำสภาวะโกรธได้แม่นแล้วนะพอความโกรธเกิดนะมันจะเห็นเองขอบคุณค่ะหมดแล้วดรวยมีสามคนสามคนค่ะโอ้ดีเรียนกับหลวงพ่อใหม่ๆนะเล่าให้ฟังแน่จะแค่ไหนมานะจากแน่มาจากที่ไหนก็าตามนะมาฟังหลวงพ่อทีแรกนะึหงหงทุกคนอนะ พระองค์นี้พูดเลยว่าฟังไม่รู้เรื่องที่จริงที่พูดให้ฟังเนี่ยมันเป็นสัจจะทางนั้นเลยแต่ว่าเรายังไม่เคยได้ยินเรายังไม่เคยเห็นนะสิ่งที่สอนให้ชายทอดให้เนี่ยคือวิธีที่จะหัดรู้สภาวะทั้งหลายอย่างที่มันเป็นพระเจ้าท่านบอกว่าเราเห็นตามความเป็นจริงเห็นสภาวะตามความเป็นจริงสภาวะสิ่งที่เรียกสภาวะก็คือรูปธรรมนามธรรม ที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเรานี้แหละเราเห็นสภาวะตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ยยายเพระเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเพครคลายความยึดถือจึงหลุดลพ้นอหลุดพ้นแล้วมันก็พ้นทุกเท่านั้นเองในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่เรียกว่าตัวทุกตัวทุกน่นก็คือรูป น, นามกายใจนี้เองร่างกายเนี่ยแสดงอาการปรากฏของทุกขด้วยความแก่ด้วยความเจ็บด้วยความตายให้ดูสิ่งที่เป็นตัวทุกแท้ๆคือกายนี้แหละตัวทุก แล้วมันแสดงความเป็นทุกข์ให้ดูด้วยความแก่ด้วยความเจ็บด้วยความตายจิตใจนั้นโดยตัวเขาเองเป็นตัวทุกข์มันแสดงอาการปรากฏของทุกข์ผ่านอะไรผ่านการที่พลัดพรากจากสิ่งที่รักก็ไม่สบายใจใช่ไหมประสบกับสิ่งที่ไม่รักก็ไม่สบายใจไม่สมหวังไม่สมปรารถนาก็ไม่สบายใจ แ, แสดงอาการทุกข์ขึ้นมาโดยอาศัยสิ่งเหล่านี้ขึ้นมายากมากเลยที่คนคนหนึ่งจะเห็นว่ากายนี้คือทุกข์ใจนี้คือทุกข์ พาะพุทธเจ้าจะสอนให้เราเห็นไม่ใช่สอนให้คิดเอาแต่ให้เห็นเราอยากเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงคือว่ามันเป็นก้อนทุกข์เราจะเห็นตามความเป็นจริงได้ก็ต้องไม่ลืมมันถ้าเราลืมกายเราลืมใจเราจะไปเห็นความจริงของกายของใจไม่ได้คนที่ใจลอยนะั้นมีร่างกายก็ลืมร่างกายมีจิตใจก็ลืมจิตใจนะงั้นสิ่งแรกเลยที่พวกเราต้องฝึกก็คือความรู้สึกตัว ถ้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ลืมกายไม่ลืมใจข้อที่2ถ้าเราอยากเห็นความจริงของกายอยากเห็นความจริงของใจเราก็ต้องดูว่าจริงๆ ร, งรงิกายเป็นยังไงใจเป็นยังไงไม่ใช่ไปดัดแปลงกายไม่ใช่ไปดัดแปลงใจอย่างเวลาเราเดินเนี่ยส่วนมากเราจะดัดแปลงนักปฏิบัติกับคนธรรมดาเดินไม่เหมือนกันขึ้นมาอีกแล้วต้องเดินท่านี้กรรมฐานไม่เกี่ยวกับท่าท่าน่ะเป็นเปลือกของกรรมฐานเท่านั้นเองกรรมฐานก็คือเราเดินอยู่เรารู้สึกไหม ว่าร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูอยู่นะหรือจิตใจทั้งหลายเนี้ยเราเห็นไหมว่าจิตใจมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่ใช่คิดเอาไม่ใช่เข้าไปแทรกแซงหลายคนปฏิบัตินะเพื่อว่าจะได้ไม่ทุกข์ปฏิบัติเพื่อจะเอาความสุขปฏิบัติเพื่อเอาความสงบปฏิบัติเพื่อเอาความดีแท้จริงความสุขความสงบ ค, ความดีเป็นของไม่เที่ยงเราไม่ยอมยปฏิบัติเพื่อสัจจะ เพื่อจะเห็นความจริงของกายของใจแต่เรามุ่งเอาดีเอาสุขเอาสงบแล้วเอาของซึ่งด้อยเกินไปของซึ่งเหนือกว่าดีกว่าสุขกว่าสงบก็ ค, คือความจริงพอเห็นต่างความเป็นจริงจเะเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นความพ้นทุกข์ก็อยู่ตรงนี้เองตรงที่ใจไม่เข้าไปยึดที่ใจเข้าไปยึดอยู่เพราะใจไม่รู้ความจริงของกายของใจ อยากเห็นความจริงของกายของใจต้องไม่ใจลอยลืมกายลืมใจแล้วต้องไม่บังคับกายบังคับใจให้ผิดธรรมชาติทันทีที่เราคิดถึงการปฏิบัตินะเราจะเริ่มบังคับกายบังคับใจทันทีเลยเอาทุกคนต่อไปนี้ลองนั่งสมาธิดูทดลองดูนั่งสมาธินะเห็นไหมต้องขยับตัวก่อนแล้วรู้สึกหมถ้านี้ปฏิบัติไม่ได้ทำสมาธิไม่ได้ต้องอย่างนี้เหรอ เวลาเดินจงกลมอา้าเดินจงกลม เ, เดินไอ้ที่เดินอยู่อะทำไมไม่เดินจงกลมไอตอนที่จะเดินไปขึ้นรถเมล์ก็เดินจงกลมได้เดินด้วยความรู้สึกตัวนั่นเองเห็นกายมันเดินใจไป็นคนน่ารักปฏิบตัตนะิเวลาบอกให้นั่งสมาธิปุ๊บ ก, ก็นั่งอยู่แล้วอะแต่ใจมันล่องลอยไปก็รู้สึกเห็นร่างกายมันนั่งขณะ น, นี้เห็นร่างกายนั่งไหมเอาลองยิ้มหวานก่อนยิ้มหวานหวานแเห็นตัวเองยิ้มไหม เห็นด้วยความรู้สึกนะยิ้มหวานๆเห็นตัวเองยิ้มไปลองขยับมือซิเนี่ยเห็นรู้สึกไหมร่างกายมันเคลื่อนไหวเราฝึกไปเรื่อยๆนะต่อไปร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูค่อยๆฝึกไปแล้วจะเห็นความจริงของร่างกายเนี่ยเราไม่ได้เข้าไปบังคับไม่ได้เข้าไปแทรกแซง น, นี่นักปฏิบัติส่วนใหญ่นะพอลงมือปฏิบัติก็บังคับกายบังคับใจทันทีเลยเมืม่อเราไปบังคับกายบังคับใจแล้วเราจะเห็นความจริงของกายของใจไม่ได้ ก็ากายนั้นจะผิดธรรมชาติใจนั้นผิดธรรมชาติไปแล้วงั้นเวลาที่จะปฏิบัติจริงๆนะอย่าใจลอยใจลอยคือลืมกายลืมใจอย่าบังคับกายอย่าบังคับใจให้รู้กายอย่าที่กายเป็นให้รู้ใจอย่าที่ใจเป็นนะอย่างร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่านะกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกนะไม่จําเป็นว่าต้องนั่งท่านี้เดินท่านี้นอนท่านี้ทุกๆอิริยาบถเนี่ยมีความรู้สึกตัวเข้าไปนั่นะนะคือการปฏิบัติ งั้นเราจะได้แต่เปลือกนะเราจะได้อะไรได้ความนิง่งนะเพาเอา้าปฏิบัตินั่งพอนั่งบังคับร่างกายได้ที่ก็เริ่มบังคับใจต่องั้นะแล้วใจก็จะติ้งอย่างนีนะ้มันผิดธรรมชาตินะอยากเห็นของจริงแต่ไปทําลายของจริงสมุดเลยนะเพราะงั้นเราอยากเห็นความจริงของกายของใจอย่าใจลอย อย่าบังคับกายอย่าบังคับใจถ้าใจลอยเรียกว่าย่อนเกินไปกามสุคาริการุโยกย่อนเกินไปถ้าบังคับกายบังคับใจเป็นอัตตะกิลมฐานุโยคตึงเกินไปรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นน่นแหละทางสายกลางรู้สึกไปนะยิ้มหวานอีกทีสิยิ้มมันหวานจะเลิกแล้วยิ้มหวานาหวานัวเราะชอบใจเอาละพอสมควร เห็นไหมใจเราหนีไปหาเขาหมดแล้วเนี่ยเราพร้อมที่จะลืมตัวเองเราดูสนใจคนอื่นเราลืมตัวเราเองเคล็ดลับมันแค่นี้เองรู้สึกตัวบ่อยๆอย่าถาวาริวหาปุราปริปุเรนตีสาคารังเอวามีวาอิโตทินังเปตานังอุปกัะปติ อิชิตังปฏิตังตุมหังจิปเมวาสมิจตุสเพภูเรนตูสังกปาจัจนททปันระโสยทามณีโชติระโสยทาสพีติโยวิวัตชตุสพโรโควินั ส, สตูมาเตภวัตปันตรยโยสุขีที่กายุโกภวะาอภาิวาธนาศีลิสนิจจังมุธาปัจจายิโนจัตตารโอธมาวัฏันเตียยุวันโนสุขขัง พระลังหลวงพ่ออนุโมทนากับท่านพ่ออนะะทีมงานอุตสาห์นิมนต์หลวงพ่อมาใมเป็นโอกาสที่เราได้เจอกันแต่ว่าอยากจะให้พวกเราทำกันบ้านซะหน่อยนะไปดู YouTube หรือฟังซ d อะไรที่หลวงพ่อเทศเอาไ้มีเยอะแยะเลยช่วยตัวเองนิด น, นึงนะโอกาสที่เราจะเจอกันบ่อยๆนะมันไม่มีหรอก งั้นถ้าเราได้สนใจสังเกตนะไปฟังแล้วก็คอยสังเกตของจริงในกายในใจบ่อยๆชีวิตเราจะเปลี่ยนชีวิตเราจะมีความสุขมากขึ้นนะมีคุณค่ากับตัวเองมากขึ้นครอบครัวเราก็จะร่มเย็นเป็นสุขมากขึ้นหน่วยงานเราก็จะดีขึ้นนะเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงตัวของเราเองนี่เองไปลองดูนะคนอื่นเขาเปลี่ยนมาได้ตั้งเยอะแยะแล้วเราไม่งง ก, กว่าคนอื่นหรอกหลงพ่อไปแล้วนะนะ